า <c oughs> มาพม่าเป็นครั้งแรก <c oughs> ก็มีข้อมูลให้เราไปอ่านคนที่เขาเคยมาก่อนแล้วก็ได้บอกมาละเอียดเขาก็ได้ถ่ายทอดสิ่งที่เขาได้รู้ได้เห็นอย่างที่ เขาก็คงคิดว่าละเอียดที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้นะเนาะมีรูปถ่ายด้วยมีข้อมูลให้เราอ่านด้วยพอเวลาที่เรามาถึงจริงๆตรงนั้นมันก็มันก็ไม่ค่อยพอรูปอะไรต่ตางๆนานานเหล่านี้แม้ว่ามันก็เครื่องไมาเครื่องมือมันก็ชัดเจนนะแต่ว่าพอเวลาเรามาถึงจริงๆมองที่เห็น ส่วนประกอบต่างๆในรายละเอียดต่างๆนา น, นาเหล่านี้เราก็ได้มาพวกเราก็โชคดีได้มีคนที่เป็นผู้รู้ในจประจําท้องถิน่นมาชี้ให้เราได้เห็นตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้เราก็อ๋ออ๋อโอโอมเป็นอย่างนี้นี่เองอมันเป็นอย่างนี้นี่เองดูดูไปแล้วก็เห็นรายละเอียดมากขึ้นมากขึ้น ไอสิ่งที่เป็นก้อนอิดก้อนปูมต่างๆนานานี้เราก็รู้รู้เข้าใจเข้าชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นตรงนี้ก็คล้ายๆกับในสิ่งที่คนที่เขาเคยเขียนมาก่อนก็คงเหมือนเหมือนเราอย่างเงี้ยพอเราได้รู้ได้เห็นเดี๋ยวเรากลับไปแล้วก็ต้องไปเล่าสู่คนอื่นฟังมีรูปถ่ายมีอะไรประกอบต่างๆนานาแบบนี้ แล้วก็คงทำหน้าที่ที่เราได้รู้ได้เห็นได้บอกได้เล่าสิ่งที่เรารู้ดีๆตรงนั้นไปตรงนี้เขาเปลี่ย น, นกันนลารผูะเจ้าเราผู้เจ้าเองก็ได้เอาสิ่งที่ผู้เจ้าได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสมาบอกกับเราผ่านตัวหนังสือพวอเราก็อ่านพวกเราก็อะไรตัดานานๆานานมีหลวงพ่อเขียนมีพระจันทร์ วัฒนาชัยมีพระอาจารย์นรสคอยชี้นำเราเหมือนเป็นไกด์ท่องถินคอยบอกคอยชี้ให้เราได้เห็นพวกเราก็มาดูตามกันพอเราเห็นแล้วเราก็อ๋องนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็ได้เข้าใจมากขึ้นได้เห็นมากขึ้นตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่พอรู้มากขึ้นเห็นมากขึ้นแล้วก็บอกต่อไปตรงเนี้ก็เป็นเป็นแบบนี้มาเป็นลำดับ สองพันกว่าปีก็เป็นแบบนี้เราก็ได้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากการกระทาของผู้คนจะเป็นการกระทำของคนที่รู้ธรรมะจะเป็นการกระทาของคนที่ไม่รู้ธรรมะมันก็ออกมาเป็นวัตถุสิ่งของที่เป็นเครื่องที่ทำให้เราได้ดารงชีวิตอยู่ได้รู้ได้เห็น สิ่งต่างเหล่ า, น, า, ลานี้ก็ให้เราได้เลือกให้เราได้จําแนกแยกแยะว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นกรรมดีที่พอตกทอดมาถึงรุ่นเราเราก็ได้รับผลกรรมดีอันนั้นได้รับสิ่งดีๆเข้ามาได้รับข้อมูลดีๆมามาบอกต่อหรือบางทีที่มันเป็นอคตศรกรรมที่เราเองเราก็ได้รับผลพวงอ น, นั้นเหมือนกัน ได้รับผลพวกในความไม่สบายกายไม่สบายใจใต่างๆนานานี้เราก็เป็นเรื่องที่เราก็ได้รับผลนั้นเราก็ได้ขัดสันว่าเราควรจะทาอันนั้นต่อไปหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มันก็คงจะเป็นภาพแบบนี้นะที่มันเป็นมาตลอดตลอดยุคตลอดสมั ย, ยที่พระเจ้าบอกมันก็เป็นเช่นนั้นเองมันก็มีอยู่แล้วมันก็อะไรต่า ง, า ง, างๆนานาล่านี้นตรงนี้ก็ เป็นสิ่งที่เหมือนกับพอเวลาที่เรามาเที่ยวต่างถิ่นตรงนี้มันก็ชัดเจนและก็ยิง่งสำคัญกับความเป็นพมา่าที่เราก็มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ผิดๆเนาะเราก็มีอุปท า, านผิ ด, ผดมาพอมาเจอก็จริงๆปรกากฏอืมที่นี่เป็นที่ที่พุทธบริษัทสี่สมบูรณ์เนาะที่ไหมมีพระพุทธมีพระธรรม มีพระสงฆ์มีพระสงฆ์มีภิกษุณีมีอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองอย่างพร้อมเพรียงทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่มันก็ทําให้เราได้เห็นศักยภาพของศาสนาพุทธที่จะบอกว่านี่ตรงนี้ก็คือสิ่งที่จะทําให้ศาสนาพุทธได้รุ่งเรืองชัดเจนตลอดไปพระจันทร์ลงก็ ถามพระจันทร์นรงอยู่เนาะว่าที่นี่พุทธศาสนาเป็นยังไงพระจาันทร์นรงก็บอกแบกบว่าที่นี่คนก็ก็มีศรัทธามากๆแล้วก็ศรัทธาเขาก็ดูจะเป็นศรัทธา ท, ที่ถูกที่ถูกทางคำว่าคนจริงๆก็ก็น่าจะหมายถึงทั้งตะทั้งไม่ชีทุกบาศทัุกบาสิกาทุกส่วนได้ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีเพราะฉะนั้นนั่นคือ เราก็จะได้เห็นว่าพระสงฆ์สองแสนสามแสนหรือว่าพระสงฆนะ์แปดมื่นลูกนักบวชขนาดนี้เนะี่ยอยู่กับชุมชนซึ่งก็ชุมชนก็สามารถที่จะสนับสนุนแล้วก็เราก็จะเห็นโนระงเรียนก็ไม่ค่อยมีนะแต่ปรากฏว่าผู้คนก็มีก็เรียกว่ามีจิตสำนึกมีอะไรต่างๆนาะที่ดี เราได้เห็นผู้คนที่มีใจกว่าทําความสะอาดเราถอดทั้งทั้งในแต่ที่แต่ที่ก็ก็ไม่มีความสกปรกและเถอะแล้วเราก็ดูว่าตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นวิสัยปกติที่เขาทากันอยู่เป็นเหมือนกับชีวิตประจําวันที่มันดําเนินไปตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เราก็ได้เห็นเห็นเรียกว่าเห็นความเป็นไป เห็นความเป็นพุทธที่เคลื่อนตัวไปในชีวิตประจาวันแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็มั่นใจมากเราก็มาถูกทางเราก็ได้เห็นความจริงแล้วเราก็มีมีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเราต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เราดูทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กำลังดำรงอยู่ที่สวยสดงดงามหรือว่าจะเป็นสร้างอิฐสรางปูน ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของชาวพุทธทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของพุทธศาสนาที่ทําให้เกิดสิ่งต่างๆนนาเหล่านี้ขึ้นจะเป็นค น, นลับรถที่พาเรามาก็ดีก็พาเรามา ด, ด้วยเรื่องของพุทธจะเป็นเราที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจาับมือไทยก็ดีก็เป็นด้วยศาสนาพุทธพาเรามาตรงนี้ก็ทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราได้เห็นแล้วก็เราก็เป็นคนหนึ่งที่ จะทําหน้าที่ที่ทําให้ตรงนี้เนี่ยเคลื่อนตัวต่อไปดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ตัวของเราเพราะฉะนั้นก็คือตางนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับสิ่งที่อืมพูดว่าเนาะแบบว่าสิ่งที่พูดว่าภารกิจที่เราควรทําในชีวิตของเราตรงนี้เนี่ย คืออะไรแล้วเราได้ทำตรงนั้นเต็มที่แล้วหรือยังเราได้ทำตรงนั้นจุดสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วหรือยังเราหมดสิ่งที่เราต้องทำแล้วหรือยังคำว่าต้องทำตรงเนี้ยก็เป็นที่น่าสนใจตรงที่มาทุกวันนี้เราได้ทาในสิ่งที่เราควรต้องทำหรือเปล่าในสิ่งที่เราควรต้องทำเราได้ทำแล้วหรือยังแล้วเราได้ทำเสร็จแล้วหรือยังตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ก็ เป็นสิ่งที่น่าคร่คลูนเพราะว่าพุทธเจ้าเองก็ได้ให้อาไว้แล้วพระธรรมก็เป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์เนี่ยตรงนี้ความจริงที่พุทธเจ้าบอกเอาไว้ก็เป็นเรื่องเรื่องเดียวเลยก็เป็นเรื่องที่ถ้าทำตามก็จะไม่ทุกข์ถ้าทาตามก็จะไม่ทุกข์ตรงนี้เราก็ได้เห็นได้เห็นทุกย่างก้าวของพวกเราพอเวลาที่เราไม่ทำตามทุกข์ก็เข้ามา เวลาที่เราทำตามทุกมหาไปตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราเรียกว่าปกติเราได้เห็นสิ่งที่เราเรียกว่าปกติเห็นก็เห็นทั้งเขาเรียกว่าเห็นจากตาตัวเราเองเห็นจากสติที่เรามองกลับมาดูข้างในตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ชัดเจนเนาะเมื่อก่อนเขากว่าปกตินี่ก็เป็นสิ่งที่ เรื่อไเราไม่เคยสัมผัสเราสัมผัสจะสิ่งที่ผิดปกติเพราะว่ามันชัดเจนอันนั้นผิดไปไอ้นี้ผิดไปมันก็ชัดเจนแต่สภาวะปกติเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มสัมผัสเมื่อเราได้เข้ามาปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วก็ความเป็นปกติมันอยู่ตรงนี้ความเป็นปกติมันอยู่ตรงนี้พอเราเห็นความเป็นปกติมันอยู่ตรงนี้เราก็ค่อยๆได้เห็นว่าไอ้ที่ เรียกว่าเป็นปกติมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็ได้ทดลองทำทดลองทำก็ทำโอ้มันก็เกิดความเป็นปกติขึ้นอย่างนี้พอเราไม่ทำมันก็ผิดปกติขึ้นอย่างนี้เราทำไปบางทีทำไปโอ้ทำไปทำมาโอ้มันเกิดผิดปกติขึ้นอกอย่างนี้ก็เรียกว่าทำผิดตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เป็นเรื่องที่เกิดจากการที่เราได้ปฏิบัต ปฏิบัติตามสิ่งที่ปริ้าได้บอกเอาไว้ปฏิบัติตามสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้บอกเอาไว้มันก็ทําให้เราได้เห็นความเท็จความจริงที่หลวงพ่อเขียนก็บอกในตลางเวลาหลวงพ่อก็บอกความเท็จความจริงความจริงมันเป็นปกติความไม่ปกติมันไม่จริงในตรงเนี้ยเนาะซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่พอเราได้เดินบนเส้นทางที่เดินตามครูบาอาจารย์เดินตามรลอ้ ท้า ข, ของพุทธเจ้าตรงเนี้ยไอสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นปกติสิ่งที่เรียกว่าไม่ทุกข์ก็ปรากฏกับเราบ่อยครั้งขึ้นบ่อยครั้งขึ้นเราก็เริ่มจับที่จับทางได้มาแบบนี้แล้วเนาะทําแบบนี้ล่ะจะเกิดความเป็นปกติทําแบบนี้ล่ะจะเกิดความเป็นปกติเราทำซ้ําล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแลเราก็ชํานาญขึ้นชํานาญขึ้นแล้วก็ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ การเดินทางของพวกเราก็เป็นการเดินทางที่ถุกทิศถกทางแล้วก็เป็นการเดินทางที่เราก็ได้เห็นเห็นผลของการเดินทางตลอดสองพันกว่าปียิ่งในธรรมะหลักฐานของพุทธที่เข้ามาตรงนี้ก็ยังมีให้เราได้เห็นอยู่ยืย้แยะไปหมดดัะนั้นนั่นคือตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่โดยส่วนตัวก็มั่นใจมีศรัทธาแล้วก็ มั่นใจว่าคิดทางที่ครูบาอาจารย์ได้บอกเอาไว้ธรรมะที่ครูบาอาจารย์ต่างๆได้บอกเอาไว้ก็เป็นสิ่งที่เราเองก็เหลือเพียงแค่เราควรต้องทำในสิ่งที่เราต้องทําหมดแล้วทีอย่างตรงเนี้ก็ก็โชคดีนะก็โชคดีที่อาจารย์หญิงก็ได้ให้โอกาสพวกเราได้มาพัฒนา แล้วก็ทีม <c oughs> <c oughs> ของพวกเราก็ได้เรียกว่าได้รับ ก, การสนับสนุนเนาะจากพระอาจารย์วัฒนชัยจากพระอาจารย์นะ้ได้ช่วยชีนนะ้นำพวกเราทุกๆวันก็ทําให้พวกเราได้เห็นได้เดินทางที่ถูกต้องก็ให้พวกเราก็ได้ทําที่สุดเนาะแห่งกองทุกตั้งเส้นนี้ ให้ปรากฏชัดกับพวกหลังทุกๆคน